แต่พละลักษณะเป็นลูกศิษย์แลเดินตามหลังพระโมคคลาพอเดินมามาเห็นพอมาถึงตีนเขาพระโมคคลาท่านเห็นเห็นเปรตในความรู้สึกในเห็นในตาทิพย์ของท่านพระโมคคลาเห็นเปรตตาทิพย์ของท่านท่านกระยิ้มกว่าแย้มยิ้ม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 ลามมาถึงศีรษะแล้วขลามจากศีรษะจุดที่หางลามจากหัวจากศีรษะลงไปถึงกลางตัวแล้วขลามจากกลางตัวไปถึงหัวถึงศีรษะถึงหางคล้าๆไฟไหม้อยู่ตลอดเขาได้รับทนทุกทรมานด้วยบาปกรรมอะใดพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ต่อหน้า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 ว่าพโมกขาลาเห็นเปลนมีจริงๆเราก็เห็นไม่ใช่ี่เห็นแต่โมกขาลาไนอะ้คแค่ว่ารับรองความรู้ความรู้ความเห็นพรโมกคลาที่เห็นแล้วนั้นพระพุทธเจ้าตรรับรองแต่พูดองค์บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้เราเห็นแต่เราไม่พูดเพราะเหตุไรเพราะถ้าเราพูดไปคนทั้งหลายผู้ไม่เชื่ อ, เ, อเพราะเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เชื่อ ค, คาไม่เชื่อของเขานั้น จะเข้าจะทําให้เขาไปสู่นรกได้เพราะนั้นเราจึงไม่พูดทิ้งที่เราเห็นไม่ใช่เห็นอะไรก็จะพูดทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลแต่นีโมกคลาเห็นเราจึงรับรองว่าเราก็ได้เห็นเหมือนกันอย่างที่โมกคลาเห็นเพราะนั้นเพราะโมกคลาเห็นตามความเป็นจริง่ยพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเปรตตัวนั้นเขาเขาที่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 พราะยาพิษยังไม่ให้ผลแต่เมื่อยาพิษให้ผลขึ้นมาเมื่ อ, อไหรเมื่อนั้นคนคนนั้นเขาจะหยุดพูดเขาจะหยุดเอว่าพิษยาพิษไม่ให้ผลเขาจะต้องพูดหล่นผู้หลายอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่ทํากรรมชั่วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขาก็พูดได้เขาก็แสดงความ ปลาบาดหรือว่าแสดงความให้แกใครๆฟังได้ปะค่าทำกรรมแล้วไม่เห็นมีอะไรเพราะว่ากรรมนั้นยังไม่ให้ผลยังไม่ให้ผลในเมื่อก ร, รมชั่วให้ผลแล้วเขาจะพูดไม่ได้เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนี่แหละแต่หลิงของเราอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยมันกินอาหารก็คงกินอาหารเศษบาตมั้ง